มีพระรูปหนึ่งท่านลอยฝั่งวันหนึ่งก็มีโยมมาถวายสังกทานก็หลังจากทาพิธีเสร็จโยมก็โยมผู้หญิงนะเขาก็ขอให้พระท่านหยิบหนังสือที่ มาถวายในตะ ก, ก้าท่านก็คิดว่าคงจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะพอเปิดหยิบมาเปิดดูพรากว่าเป็นหนังสือโปท่านก็ไม่กล้าเปิดดวงก็บอกให้เปิดให้พลิกเปิดดูข้างในท่านก็ไม่ยอมโยมก็เคยันคยยอให้เปิด พระท่านก็เลยถามว่าทำไมล่ะนะแล้วแกก็ไล่ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปไปบนกับสารพระพรหมว่าถ้าได้สำเร็จอย่างที่ตั้งจิตเอาไว้ก็จะลําแก้บนลาดโดยการเปลือยกายถวาย พระพรมแต่พ อ, พอได้อย่างที่ต้องการเนี่ยถึงเวลาจะแก้บนก็อายนะไม่กล้าไปเราไปลํำเปลือยกายเพราะว่าคนเยอะก็คิดอยู่ตั้งนานว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าถ้าไม่แก้บนเดี๋ยวก็วอาจจะเกิดเคราะห์ได้ สุดท้ายก็ใช้วิธีนี้แหละคือเอานังสือโปมาให้หลวงพ่อให้ท่านดูแล้วก็ดูทำไมดูเพื่อที่จะได้ส่งภาพโปนั้นไปให้พระพรหมนะก็คิดว่าทำอย่างนี้แล้วนี่ก็จะเป็นการแก้บนได้สำเร็จนะอันนี้เรื่องนี้มันก็ เป็นเรื่องที่ไม่นึกนะว่ามันจะเกิดมีขึ้นได้ในเมืองไทยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแปลกๆนะเรื่องนี้นี่มันผสมปนเปกันหลายๆอย่างมากอย่างเช่นนะวิธีแก้บนแบบแปลกๆนะคือการลำเปลือยกายนะ ทำไมถึงไม่ไม่ใช้อย่างอื่นนะเช่นถวายหัวหมูหรือว่าจ้างนางละครมาลำอย่างที่เขาทำกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่ามีคนมาบนไว้เยอะแล้วก็ถ้าจะให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสนใจจากพระพรหมก็ต้อง มีข้อเสนอแปลกๆนะถ้าเอาหัวหมูมาถวายนี่พระพรมอาจจะไม่สนใจเพราะว่าใครๆก็ถวายกันแล้วนะก็ต้องหาทางสร้างจุดเด่นขึ้นมาเพื่อให้พระผรมสนใจนะอันนี้คิดแบบคนโลกๆเลยนะคือว่าจะทำให้คนสนใจนี่ก็ต้องทำตัวแปลกๆ อย่างเช่นดารานักสแสดงถ้าใครที่อยากเป็นดาราจะทำให้ผู้กากับสนใจก็ต้องแต่งตัวแปลกๆกล้าทำกล้าแต่งตัวเพื่อว่าจะได้เป็นที่สนใจเตะตานะก็คิดแบบนี้ว่าพระผมก็คงจ ะ, ะสนใจยอมรับข้อเสนอเพราะว่าตัวเองกล้านะกล้าล้าอันนี้ก็เป็นความคิดของคนสมัยนี้นะ คราวนี้พอสําเร็จแล้วนะได้อย่างที่ต้องการแล้วก็เกิดอายขึ้นมาแล้วคือตอนที่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยเช่นขอให้ถูกหวยบ้างขอให้ปลดหนี้ได้บ้างหรือว่าขอให้อ่อ สามีได้เลื่อนเป็นอธิบดีเป็นปหลัดกระทรวงก็แล้วแต่หรือว่าสอบเข้าได้สมัครงานได้ไอ้คนเราก็เป็นอย่างนี้นะเวลาที่ยังไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อยากได้มันก็ยอมทุกอย่างนะยอมสัญยิงสัญญาทุกอย่างนะว่าถ้าฉันได้อย่างนี้ฉันก็จะ ก็จะก็จะทาเช่นลํำแก้บนนะแต่พอได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอได้อย่างที่ต้องการแล้วเนี่ยไอความคิดที่จะทาอย่างที่พูดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วเหมือนกับคนที่บอกว่าถ้าฉันได้เงินล้านหนึ่งเนี่ยที่จริงไม่ใช่ใครพวกเราก็ได้นะ สมมติว่าเนี่ยถ้าฉันได้เงินล้านหนึ่งนะฉันจะถวายวัดสักห้าแสนหรือว่าฉันจะเอาไปช่วยเด็กกาพร้าสักห้าแสนเนี่ยใครๆก็คิดแบบนี้ได้ใครๆก็พูดแบบนี้ได้แต่พอได้เงินมาจริงๆคือล้านหนึ่งเนี่ยบางทีแค่หมือนหนึ่งยังไม่ยอมให้เลยนะคนเราพออะไรที่มันยังอยู่ไกลเนี่ย เราก็พูดได้ทั้งนั้นอะอะไรที่ยังอยู่ไกลยังมาไม่ถึงแล้วก็พูดได้คนที่บอกว่าเนี่ยสิ้นปีฉันจะเลิกเล่าลูกเลิ ก, เลกบุหรี่ก็มีคนพูดแบบนี้เยอะเพราะมันยังอยู่ไกลแต่พอถึงเวลาเข้าเอาละเปลี่ยนใจแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันนะตอนที่ยังไม่ยังไม่สําเร็จอย่างที่ต้องการยังมีปัญหาอยู่ก็ ก็บนบานเรื่อยเปื่อยนะแต่พอได้อย่างที่ต้องการแล้วมันไม่กล้าแล้วที่จริงไม่ต้องดูอื่นไกลเนะเวลามีคนมายืมเงินเนี่ยอาตมาก็เจอมาเยอะแล้วนะมาขอยืมเงินนะมาขอยืมเงินก็บอกเนี่ยขอยืมนะแล้วก็รับรองเดือนหน้าใช้คืนให้ ตอนที่ยังไม่ได้นี่ก็ยืนยันเป็นมันเป็นหมอเลยเดี๋ยวเดือนหนึ่งเดือนหน้าคืนให้แน่นะเพราะว่าลูกสาวนะจะส่งเงินมาให้แต่พอได้เงินไปแล้วนะปีหนึ่งยังหายจ้อยไปเลยนะคือตอนที่ยังไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้เงินก็สามารถจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดเป็นเรื่องง่ายที่จะรับปาก เพราะมันยังอยู่ไกลไงแต่พอพอถึงเวลาจะต้องถึงเวลาที่รับปากเอาไว้ก็ไม่ก็เปลี่ยนใจนอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแง่คิดอันนึงนะจากเรื่องที่เล่าแต่ประเด็นสำคัญที่น่าจะพูดถึงก็คือเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับสังฆทานเนี่ยเดี๋ยวนี้เรา เข้าใจสังกทานกันผิดๆนะก็ไปเข้าใจว่าสังกทานนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการเส้นการการไหว่นะใครที่ประสบเคราะห์ก็เดี๋ยวนี้ก็ไปสังกฐานถวายสังกฐานคล้ายๆกับเส้นหรือไหว้แล้วก็มีพระเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้รับของเส้น แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมองเห็นว่าพระนี่เหมือนกับเป็นบุรุษไปสเนียอย่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คิดว่าพระนี่ท่านสามารถจะเป็นบุรุษไปสเนียส่งภาพโป้ภาพเปื่อยไปให้พระพรหมได้มันคิดไปไกลใหญ่เลยนะว่านอกจากไม่เข้าใจเรื่องสังฆทานแล้วก็ยังก็ยังคิดว่าพระเนี่ยนะเป็นบุรุษไปสเนียคือสมัยก่อนก็อาจจะมองว่าพระนี่เหมือนกับเป็นตัวกลาง ที่จะส่งบุญกุศลให้กับผู้ตายอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เราเชื่อกันมาว่าถ้าเราจะ อ, อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายเราก็มาถวายสังฆทานแล้วก็บุญกุศลนั้นเนี่ยก็จะสามารถไปถึงผู้ตายได้นะก็คล้ายกับว่าพระนี่เป็ น, ปนตัวกลางเป็นสื่อกลางอย่างนั้นแหละนะที่จริงมันไม่เกี่ยวกับพระหรอกนะ แต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าบุญกุศลนั้นเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะแผ่ไปถึงผู้ที่ลงลับได้แต่ก็เฉพาะผู้ที่ลงรับในที่อยู่ในบางภพภูมินะคือถ้าเป็นอยู่ในอยู่ในภูมิที่เขาเรียกว่าเป็นเปตวิสัยหรือว่าเป็นเปรตเนี่ยก็จะรับส่วนบุญได้ที่มาในรูปสังฆทาน แต่ว่าถ้าไปอยู่ในพบอื่นภูมิอื่นนะมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละพบแต่ละภูมิก็มีอาหารไม่เหมือนกันอย่างในพบมนุษย์หรือว่าในเดรัชานเนี่ยอาหารก็เป็นผักบ้างเป็นปลาบ้างเป็นข้าวบ้างแต่ถ้าเป็นเทวดาเขาก็เป็นอาหารทิพ์นะแต่ถ้าเป็นเปรตพวกนี้เนี่ยก็ถึงจะอ า, อาหารนี่ก็คือส่วนบุญนั่นแหละ ที่ที่มนุษย์ได้แผ่ไปให้อุทิศไปให้แล้วก็วการที่จะอุทิศได้ดีที่สุดก็คือมาทําบุญให้กับพระแล้วก็วน้อมจิตแผ่อุทิศส่วนกุศลให้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิทานน้ำใหมปฏิทานน้มคือการทําบุญด้วยการแผ่อุทิศไปให้ ของเมืองไทยเราไม่พุทธศาสนาไม่เหมือนกับศาสนาอื่นอย่างเช่นศาสนาที่เขาฮินดูก็ดีศาสนาที่นับถือผีก็ดีเราก็ใช้วิธีเส้นไห้นะก็หรือว่าจะเส้นผีก็เอาไปเอาไปเอาไปวางไว้ที่สี่แยกหรือว่าที่ศาลก็จะก็เชื่อว่าจะถึงนะถึงผีถึงเทพ แต่ว่าของพุทธศาสนานี่ถ้าเราจะอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แกบผู้ตายก็ต้องถวายสังฆทานแต่ว่าถ้าผู้ตายนั้นเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิอื่นแล้วนะไม่ได้อยู่ในเปตภูมิก็ก็ไม่ได้แล้วก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เราถวายสังฆทานหรือว่าทําบุญอุทิศให้กับผู้ที่ลงลับไปบางทีก็ไม่ถึงใส่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใน ภพภูมิที่เป็นเปตภูมิพระเจ้าก็ตัดว่าทานที่ถวายหรือบุญที่ทำเนี่ยไม่มีศูนย์เปล่าเพราะว่าญาติพี่น้องสาโลหิตในชาติก่อนๆหรือแม้แต่ในชาตินี้ที่จากไปเขาก็อาจจะมีอยู่มากมายที่อยู่ในเปตภูมิที่รอรับส่วนบุญของเรายังมีอยู่เยอะเลยที่รอส่วนบุญของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ที่ทำทำไปนี่ก็ถึงแม้ไม่ตกกับถึงแม้ไม่ถึงคนที่เราจอดจงแต่คนอื่นก็อาจจะได้รับนะเพราะเขารออยู่แล้วเขาอยู่ในพวกลุ่ที่เหมาะนะอันนี้ก็คื อ, อประโยชน์ของสังกธานแต่จริงๆแล้วสังกธานเนี่ยนะมันจุดมุ่งหมายก็คือเพื่ออุดส่งเสริม อุปธรรมความเป็นอยู่ของสงฆ์สงในที่นี้คือพระตั้งแต่สีรูปขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่งจะเป็นสังคทานก็ได้ไม่ใช่ถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่งอย่างจอดจงเราเรียกว่าปาติบุคลิกทานคือทานที่ถวายเฉพาะจอจงนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้รับว่ามีมีภูมิธรรมสูงแค่ไหน บุญก็เพิ่มขึ้นตามนั้นแต่ว่าก็สู้สังฆทานไม่ได้สังฆทานนี้นะถือว่ามีอ น, นิสงฆ์มากแม้ว่าสงฆ์ที่เป็นแม้ว่าพิพพระที่เป็นที่ประกอบกันเป็นสงฆ์นั้นเนี่ยจะเป็นปุถุชนนะแต่ว่าในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าถวายแก่สงฆ์ ในรูปสังฆทานนั้นเนี่ยนะมันมีอ น, นิสงส์มากกว่าเพราะว่าเป็นการอุปถัมภมู่คณะพภิธรรมศาสนานี่จะให้ความสําคัญกับเรื่องการเรื่องหมู่คณะมากมากกว่าเรื่องตัวบุคคลอย่างเช่นเรื่องการการการทําสังฆ ก, กรรมสังฆ ก, กรรมคือกิจกรรม หรืองานที่เป็นของสงก็ให้สงตัดสินเวลาพระจะบวชเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่อุปชานะมันต้องขึ้นอยู่กับสงทั้งหมดถ้าสงพร้อมเป็นเอกฉันก็ถึงจะรับพระรูปนั้นเนี่ยมาเป็นสมาชิครับผู้นั้นมาเป็นสมาชิกได้หรือว่ากระถิงนก็เหมือนกันจะมอบให้ใครก็ต้องเป็นเอกฉันนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยเราไม่ค่อยได้หรือชาวพูดเราไม่ค่อยได้เข้าใจเท่าไหร่ไปคิดว่าถวายกับพระก็เป็นสังฆทานหมดนะถ้าจอดจงก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าถวายกับสงฆ์แล้วสงฆ์ก็ไปตัดสินกันเองว่าจะไปมอบให้แก่ใครอย่างเช่นพราป่าเงี้ยก็เป็นสังฆทานอย่างหนึ่งถวายกับสงฆ์แล้วสงฆ์ก็ไปพิจารณาว่าจะมอบให้แก่ใครอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาก็คือการให้ความสําคัญกับส่วนรวมหรือหมู่คณะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะอยู่ได้ก็เพราะว่าส่วนรวมหรือหมู่คณะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะจะให้ถ้าเราเอาศาสนาพุทธไปผูกติดไว้กับตัวบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าป่านนี้ศาสนาพุทธก็คงไม่มาถึงไม่เหลือมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าพระพุทธองค์ก็มีอายุ มีประชชนาอายุแค่8 0ดพรรษาคนเราปกติก็มีอายุได้ไม่เกิน120ถ้าเราเอาศาสนาไ ป, ไปผูกติดไว้กับบุคคลมันก็ไม่รอดนะแต่ว่าศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะว่าสงหรือว่าสังฆรวมทั้งพุทธบริษัทอีกสานะนะพุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดมาจนทุกวันนี้เกือบ 2,600 ปีแล้วนะอีกสองปีก็ครบ2600รปีพอดี ก็เพราะว่าหมู่คณะนี้ช่วยกันเพราะว่าหมู่คณะนี่มันเป็นมันอยู่ได้นานอยู่เป็นร้อยอยู่เป็นพันปีก็ได้เพราะมีคนเนี่ยเข้ามาสืบทอดกันเป็นเป็นช่วงๆไปทีนี้เราชาวพุทธเราไม่ค่อยเข้าใจความหมายพวกนี้เท่าไหร่เพราะเราไปติดกับเรื่องพิธีกรรมเยอ ะ, ะเวลาจะทำสังฆทานก็ไปติดกับเรื่องพิธีกรรม<ๆ>เช่นว่าจะพูดอย่างไรจะกล่าวคาอย่างไร นะกรวดนา้าต้องกลวดน้ำแห้งกวดน้ำหรือกวดน้ำด้วยน้ำต้องพูดอย่างไรเวลาไหนกรวดทันทีหรือกวดหลังจากนั้นอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมแต่ว่าชาวพุทธเราไปสนใจกับตรงนี้มากไม่ได้ไม่ค่อยเข้าใจสาระนะพุทธศาสนาทั้งหมดนีมันก็เลยกลายเป็นพิธีกรรมไปการนับถือพระพุทธธรัมประสงค์ก็เลยนับถือด้วย อามิสบูชานับถือด้วยดอกไม้ทูปเทียนซึ่งก็ดีแต่ว่ามันเป็นรูปแบบนะเราไม่ค่อยนับถือที่ตัวเนื้อหาสาระก็คือการปฏิบัตินับถือด้วยการปฏิบัตนะิไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ทานรักษาศีลและภาวนาเดี๋ยวนี้เราอย่างมากก็ให้ทานเพราะว่ามันทำง่ายไปซื้อหาเงินไปซื้อสังฆทานมันก็ถือว่าได้ทาบุญก็จบแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติ แม้แต่ศีลห้าก็ยังปฏิบัติกันไม่ครบนะเพราะว่าเราใช้เงินเรานับถือด้วยการใช้เงินใจก็เลยไม่ถึงกันนะใจแลก็เลยเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาเข้าไม่ถึงพุทธนัดไตรยัยเคยพูดให้ฟังแล้วเรื่องพระธัตนตรัยว่าเรานับถืออย่างไรนับถือไม่ถูกก็เป็นการดึงพระรนัดไตรัยให้ลงมาต่ําพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นแค่พักเครื่องหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสนองกิเลส ข, ของเรา บางคนก็เอาพระเอาพระเครื่องมาเป็นสำหรับให้ตัวเองเนี่ยคงกะพันชาตรีหรือว่ามีสเสน่ห์อันนี้เป็นการสนองกิเลสเป็นการทาให้นอกจากตัวเราต่าลงแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการฉุดให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นแค่พระเครื่องที่สนองกิเลสของเราแต่ถ้าเรานับถือดี นับถือพระรัตนตรัยดีแล้วก็จิตใจเราก็จะสูงขึ้นเพราะว่าเราก็จะทําแต่ความดีหนีความชั่วแล้วก็ภาวานาเพื่อจิตบริสุทธิเ์เลยนับถือพระรัตนตรัยกันไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานับถือให้ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องเข้าใจต้องเกิดสามาธิธอย่างที่เราสอนเมื่อกี้นี้เนี่ยว่าเมื่อเรานับถือพระรัตนตรัยแล้วเนี่ ย, ยก็ต้องเข้าใจเรื่องอริยสัจ4ี่ นเข้าใจเรื่องอริยสัจสี <c oughs> คือถ้านับถือพระตนนัตรัยหรือเป็นชาวพุทธแล้วไม่เข้าใจอริยสัจสีเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะหรือมีประโยชน์น้อยทําไมอริอรยสัจสีถึงสําคัญก็เพราะเป็นสูตรสำเร็จของชีวิตอริยสัจสีนี้เริ่มต้นข้อแรกคือทุกข์ทำไมเราควรรู้เรื่องทุกข์นะก็ง่ายๆเลยก็คือเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้าง นะที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็แล้วไปแต่ถ้าเรารู้เรื่องทุกเราก็จะพบว่าเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างเช่นต้องเจอความแก่ต้องเจอความเจ็บความตายต้องเจอความพัดพลาดสูญเสียการที่เรารู้เรื่องทุกข์ก็ทําให้เราเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราไม่ประมาทนะไม่ประมาทเพราะคนจนํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยอยู่กับความสุขนะจนบางทีอาจจะ ไม่เคยเจอทุกข์เลยหรือเจอทุกข์แล้วแต่ไม่รู้วนะ่านั่นเป็นทุกข์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอยู่สบายมากเลยนะอยู่สบายมากอยู่ประสาทสามหลังนะนะก็ไม่เคยเจอกับความทุกข์แต่ที่จริงก็ก็เจอแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่นั่นคือทุกข์ก็คือเกิดความเบือ่อนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอ้ความสุขสบายที่มีมันไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่านั่นคือทุกข์ ทีถ้าเรารู้เรื่องอริสัตย์ี่ข้อแรกเนี่ยเราก็จะรู้วอ๋ออ น, นี่ยคือทุกข์นะเราก็จะต้องหนึ่งต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับความทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดมีลูกก็ต้องพัดพลาดจากลูกมีเมียก็พัดพลากจากเมียมีผัวก็ต้องพัดพลาดมันอยู่ที่ว่าใครพัดพลาด ก, ก่อนใครไปก่อนนะมีบ้านมีรถก็ต้องพัดพลาดมันเป็นของแน่ถ้าไม่พลาดไม่พัดพลาดตอน มีชีวิตอยู่ก็พัดพลาดตอนตายก็จะได้ไม่ประมาทอันนี้เมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ต้องรู้สมุทัยรู้ว่าไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นมันเกิดจากตัวเรามันอยู่ที่ใจของเราคนเราเวลาทุกข์ก็มักจะโทษคนอื่นนะชี้นิ้วโทษคนอื่นว่าแกนี่เป็นตัวทําให้ฉันทุกข์แกนี่เป็นตัวทําให้ฉันเดือดร้อนนะเวลาใครเวลาถูกวิจารณ์ถูกว่านเนี่ย เราก็มักจะโทษนเนี่ยเป็นเพราะแกนี่แหละที่พูดอย่างนี้ทำให้ฉันทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นที่เราต่างหากหรือเวลาข้าวของทรัพย์สินเงินทองมันสูญเสียไปเราก็จะไปโทษคนน้นคนนี้แต่เราลืมไปว่าเป็นเพราะใจเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางต่างหากมันถึงทุกข์คนจำนวนมากที่เขาสูญเสียแต่เขาไม่ทุกข์เพราะเขาปล่อยวางได้แต่เราเป็นเพราะเรา ไม่ปล่อยวางเราก็เลยทุกอันนี้สมุดไทยถ้าเราเข้าใจเรื่องสมุดไทยเราก็จะรู้ว่าอ๋อทุกมันเกิดที่ใจเราคนสมัยนี้ไปเข้าใจว่าที่ฉันทุกฉันทุกเพราะฉันมีเงินในกระเป๋าน้อยถ้าฉันมีเงินในกระเป๋ามากกว่านี้ฉันมีเงินในธนาคารมากกว่านี้ฉันก็จะมีความสุขไปถามใครก็ได้เดี๋ยวนี้ว่าคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างไร ถ้าไปถามคนประเทศไหนเดือวนี้ก็จะตอบว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่า น, นี้ฉันก็จะมีความสุขมากกว่า น, นี้คนส่วนใหญ่จะตอบอย่างนี้นะแล้วกี่ปีกี่ปีก็ตอบแบบนี้นะห้าสิบปีที่แล้วก็ตอบว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่า น, นี้ฉันก็จะมีความสุขแต่ผ่านไปสิบปี20ิปีมีเงินมากเป็นสองเท่ามีรายได้มากเป็นสองเท่าก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่า น, นี้ฉันก็จะมีความสุขอา้าวก็เมื่อยี่สปีที่แล้วก็บอกไง ว่าถ้าฉันมีเงินมากฉันก็จะมีความสุขผ่านมา20ปีแล้วก็มีมีเงินเป็นสองเท่าแล้วทําไมถึงยังไม่พบกับความสุขเนี่ยคนเรามักคิดว่าเนี่ยที่ฉันที่ฉันทุกข์ก็เพราะฉันมีเงินน้อยรถฉันมันคันเล็กบ้านฉันเล็กถ้าฉันมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันใหญ่มีรถหลายคันฉันก็จะมีความสุขอันนี้พราะไม่รู้จักสมุดไทยถ้ารู้จักสมุดไทยล้วก็จะรู้ว่าที่เราทุกข์ที่มันเป็นเพราะใจเราต่างหาก ยังมีโลภมีโกรธมีหลงนะนะคนที่ไม่ไ ม, ไม่เข้าใจเรื่องสมุดไทยก็จะพยายามเก็บความโกรธเอาไว้นะนะโกรธใครก็จะไม่ยอมให้อภัยนะจะพยายามคิดว่าเนี่ยถ้าฉันชำระความแค้นได้ฉันก็จะหายโกรธฉันก็จะมีความสุขนะนะมันมีคนคิดแบบนี้เยอะเลยว่าคือต้องต้องชำระความแค้นนะถึงจะมีความสุขได้ แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยพอชำรักความแค้นได้มันก็ไม่ใช่มีความสุขมันก็ไปแค้นเรื่องอื่นต่อนะอันนี้พ่อไม่คิดไม่รู้ว่าไอท้ที่ไอ้นอกจากโลภะและโทสะนี่ก็คือเป็นที่หมางความทุกข์ถ้ายัางประคองรักษาโทสะเอาไว้ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักการให้อภัยก็ไม่มีทางที่จะพบความสุขได้นะช่วงนี้คนก็มีความโกรธความเกลียดกันเยอะนะ อาตมาก็ไปพูดเรื่องการให้อภัยการให้อภัยคนก็ไม่ชอบนะมีคนก็ด่ากลับมาก็มีว่ามาพูดเรื่องนี้ทำไมนะต้องสอนให้คนนะ๋ย่าไปสอนให้คนละความโกรธความเกลียดนะนะเขาก็บอกว่ามต้องโกรธต้องเกลียดนะเพื่อที่มันจะได้ชําระความแค้นะ <c oughs> อันนี้ก็เพราะไม่รู้จักเรื่องสมุทยอันนี้พอรู้เรื่องสมุทยัยรู้แล้วว่าอ๋อความทุกข์นี้มันเกิดจาก อยู่ที่ใจเรามีโลภะโทสะโมหะหรืออุปาทานโดยเพราะความยึดติดถือมั่นในตัวตนเราก็ต้องตั้งก็ต้องพยายามที่จะภาพเพียนเพื่อจะทา ใ, ให้ความความยึดติดถือมัน่นโลภะโทสะโมหะมันจางคลายนะอันนี้ก็ต้อ ง, งเป็นเรื่องของมัคงลนะเรื่องของการฝึกตนอรอยิยมักงมีองค์8นะก็คือเรื่องการฝึกเพื่อที่จะทำให้ เพื่อที่จะละสมุทยัยฝึกที่กายฝึกที่วาจาฝึกที่ใจให้ทารักษาสิลก็ดีมันก็ช่วยลดละกิเลสได้แต่ยังลดละไม่ถึงที่สุดถ้าไม่มีการภาวนาจนเกิดปัญญาเลยเห็นว่าโอ้เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นนี่แหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าไม่ภาวนามันก็ไม่เห็นสมุทัยชัดนะหรือแม้แต่จะเห็นทุกข์ชัดก็ไม่ก็ไม่ก็ก็ก็ไม่ได้ถ้าไม่ไม่ภาวนา แต่นี้คนเราจะยอมทุ่มเทภาวนาหรือว่าปฏิบัติตามหลักปรีมากมีองค์แปดนะทำความดีมันก็ต้องมีเป้าหมายที่ว่าเราทำเพื่ออะไรอันนี้แหละคือนิโรดนะนิโรดก็คือเป้าหมายของชีวิตนะว่าเราจะมุ่งไปที่ไหนคนจานวนไม่น้อยก็คิดว่าเป้าหมายเชื่อคือรวยนะยิ่งใหญ่มีอำนาจ นะเพราะาคิดว่าที่เขาที่เขาทูกเพราะเขาเขาจนเขามีเงินน้อยเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิก็คือว่าต้องมีเงินเยอะๆมีเงินร้อยล้านพันล้านนะมีหลายคนที่จบมาก็บอกว่าเนี่ยภายในอายุ30ปีจะต้องใช้ต้องหาเงินให้ได้10ลนะ้านไปรู้จักรุ่นน้องคนหนึ่งก็บอกเนี่ยถ้าก็40ี่สเขาจะตั้งใจว่าจะมีสักพันล้านตอนนี้เขาก็มีเงินเป็นเป็นร้อยล้านแล้ว อันนี้เขาคิดว่าเนี่ยนี่คือเป้าหมายชีวิตคนแบบนี้ก็คิดแบบนี้เยอะคือว่าถ้าฉันมีเงินฉันมีอํานาจฉันก็จะมีความสุขเพราะว่าที่ฉันมีความทุกข์ทุกวันนี้เนื่องจากมีเงินน้อยมีอํานาจไม่มากอันนี้ก็เป็นเป้าหมายชีวิตที่ทําให้คนเราเนี่ยมันไปสแสวงหาแข่งขันดิน้นรนรวมถึงเอาลัดเอาเปรียบแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการโกง นะการห้าหันกันเพื่อจะได้ร่ํารวยเพื่อจะได้มีอํานาจซึ่งมันมีตจทําให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพราะว่าตั้งเป้าผิดเพราะไปคิดว่าที่ทุกนี้พราะมีเงินน้อยมีอํานาจน้อยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันมีกิเลสมันมีความยึดติดถือมัน่นแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งนิโรธหรือจุดมุ่งหมายถ้าจุดมุ่งหมายชัดเจนว่านิโรธคือความดับทุกข์คือความสงบเย็นไม่ใช่มีการมีมากๆ แต่นิโรธคือการลดการละการละวางจนทั่งถึงขั้นที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยนะมันก็จะเกิดความสงบเย็นเป็นอิสระนิโรธจุดมุ่งหมายชื่อคือความอิสระในจิตใจทำให้เกิดความสงบเย็นนะจะเข้าใจนิโรธได้ก็เพราะได้ตระหนักว่าความสุข ในชีวิตหรือปริมาณความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณความความเป็นอิสระในจิตใจในทีนี้คนไปคิดว่าปริมาณความสุขขึ้นอยู่กับปริมาณทรัพย์สมบัติที่มีหรือปริมาณอำนาจที่มีแต่พุทธศาสนาบอกว่าปริมาณความสุขขึ้นอยู่กับปริมาณแห่งอิสระภาพในจิตใจ ถ้ามีอิสรภาพในจิตใจมากก็จะมีความสุขมากถ้ามีอิสระภาพในจิตใจน้อยก็จะมีความสุขน้อยและถ้ามีอิสรภาพอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็จะมีความสุขอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนกันอิสระภาพนี่คือนิโรธคือเป้าหมายของชีวิตว่าจะต้องทําให้จิตใจเป็นอิสระอิสระจากโลกธรรมอิสระจากเงินทองทรัพย์สินอิสระจากอํานาจ ก็คือและที่สุดก็คืออิสระจากความยึดติดถือมั่นในตัวกูกของ ก, กูนี่แหละคือนิโรธนะที่เราต้องเข้าใจถ้าชาวาพุทธนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะไม่ว่าเริ่มตั้งแต่เรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยนะให้การปฏิบัติการนับถือพุทธศาสนาก็ได้ประโยชน์น้อยนะรับนับถือพระธรรมตราย์นี่ก็อย่านับถือแต่ปากนะแต่ว่าหรือนับถือด้วยอามิ อามิสบูชาแต่ต้องนับถือด้วยการปฏิบัตินะและโดยการปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนในะที่พูดมาเนี่ยก็คือเรื่องสัมมาทิฏฐิแล้วคือว่าอริยสัจการเข้าใ จ, จการรู้เรื่องอริยสัจเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิข้อแรกที่สำคัญก็คือการรู้เข้าใจในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดันะั้นถ้าเรานับถือพระตนัตายแล้วไม่มี ไม่มีสมาัติที่ถีตรงนี้หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้มันก็ชีวิตก็ล่องลอยนะได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาน้อยนะก็ได้แต่ทําบําเพ็ญทําบุญทําตามประเพณีนะมีประเพณีอะไรก็ทําตามไปหรือบางทีก็หลงเข้าไปสู่ประเพณีที่มันผิดๆความเชื่อผิดๆอย่างเช่นเนี่ยเรื่องการถวายสังฆทานของผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่มันก็เป็นประเพณีมันเริ่มจะกลายเป็น ประเพณีที่เกิดขึ้นยังไม่มีที่มาที่ไปผิดหลักพุทธศาสนาก็ต้องเข้าใจมันถึงจะไม่ทำอะไรผิดพลาดก็พูดกันเท่า น, นี้นะครับกรบพระพร้อมกัน